ท่านฟังรู้ไหมว่าเราได้พูดกันถึงเรื่องของกามกาไก่สาระหมอ่อมมนะเนื้อซึ่งหมายถึงความกำนัดยินดีเพลิดเพลินพอใจในสิ่งภายนอกสิ่งที่เป็นวัตถุกรรมเพราะฉะนั้นกรารมเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในภายในในใจในใจของเราความยินดีใน ใ, นใจของเราในะสิ่งที่อยู่ภายนอกเช่นข้าวของเงินทองสิ่งที่จะเป็นที่ยึดถือในวัตถุกรรมได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือ ก็เป็นวัตถุ ก, กามน่นเป็นสิ่งภายนอกสัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยจำฟังนั่นะติดอยู่ในในกามนี้นะัตั้งแต่สวรรค์หชั้นนั่นะลงมาโลกมนุษย์สัตว์เดรัจฉานนั้นะนระกทั้งหลายเนี่ยเป็นก็เรียกว่ากาล ม, มาภพนั้นะในกาล ม, มาโลกในโลกที่เป็นไปด้วยกาลเนี่ยนะเราไม่พูดถึงชั้นพรมนะัที่เลยกาลออกไปแล้วเป็นก็เรียกรูปภพกะรูปภพเรากําลังพูดถึง โลกที่เกี่ยวข้องโดยกาลนั่นคือการลร ม, มาโลกนี้นะ่ะไม่ใช่กาลมาโลกนะโลกดังนั้นไม่ใช่แต่เป็นโลกนะ่ะหมายถึงพบต่างๆนะ่ะก็คือมีสวรรค์ลงมานะ่ะสวรรค์หชั้นลงมานะ่ะทั้งหมดนี่ยนะ่ะถูกอะไรครอบครองอยู่นะ่ะคือถูกกาลนั่นแหละครอบครองอยู่นะ่ะโลกกาล ม, มาโลกเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วนะ่ะว่าถูกกามครอบครองอยู่นะ่ะถูกกามเผาหล่นอยู่ถูกกามยึดครองอยู่ นะีพราะการเป็นเหตุเพระการเป็นเครื่องกรอบเพระการเป็นเครื่องบังคับให้กรนะทำเนี่ยจงไปตีกันบ้างอย่าไปพูดเลยสวรรค์นี่เขาก็มียกพวกตีกันเราดูตั้งแต่ระดับเด็กอนุบาลมันโตขึ้นมามันก็รู้จักทะเลาะกันแล้วเนะไปพูดถึงอะไรระดับมหาลัยอาชีวศึกษาเนะีเพราะว่ามันอยู่ในระดับระดับของกาลมาโลกมันธรรมดาเนะี่ทีนี้สัตว์โลกที่อยู่ในกาลมาโลกเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในกาลมาโลกเนี่ยถูกครอบครองหัวใจอยู่ด้วยกาลเนะีเพราะฉะนั้นใคร ควบคุมการได้ก็ชื่อว่าควบคุมโลกนี้ได้าการในที่นี้คืออะไรเราพูดไปแล้วคือสิ่งที่เป็นมันมันจะเกิดจากในใจของเราถูกไหมสิ่งที่เป็นความยินดีกำนัดพอใจเพลิดเพลินมัวมาในใจของเราอะไรที่จะเป็นตัวเหตุให้เกิดเจ้าการนี้ได้ก็คือเจ้ากรรมกุลหรือเจ้าวัตถุการมหรือเจ้ า, าผัสสะนั่นเองเพราะฉะนนั้อะไรล่ะที่จะมาเป็นตัวควบคุมการให้เกิดขึ้นนั้นก็คือพวกวัตถุการมทั้งหลาย อะไรที่เป็นวัตถุกรรมใครครวบคุมวัตถุกรรมได้นั่นก็ชื่อว่าควบคุมโลกนี้ได้นั่นก็เรียกว่าครองโลกเลยว่างั้นเถอะแต่เพราะนั้นอะไรล่ะท่านผู้ฟังที่จะมาครองโลกนี้ได้ถ้าใครมีสิ่งนี้น่นชื่อว่าคุณครองโลกได้เลยนเนื่อว่าคุณสามารถควบคุมกามในใจสัตว์อื่นได้นะคุมควบคุมคือสัตว์ในโลกเนี่ยถูกครอบครองครอบงําอยู่ด้วยกามนะถ้าคุณควบคุมกามในใจของสัตว์โลกได้ คุณครองโลกทันทีอะไรล่ะที่จะมาควบคุมกามในใจของสัตว์โลกได้นั่นคือวัตถุกรรมอะไรหลักวัตถุกรรมที่อย่างหนึ่งที่คุณมีแล้วคุณจะครองโลกได้คุณจะครอบครองปันหัวสัตว์โลกให้มีกามหรือไม่มีกามได้คําตอบนั่นก็คือเงินเงินท่านผู้ฟังเงินเงินเงินเงินเงินธนาบัตรนี่แหละเราทํางานนี่ก็เพื่อเงินสัตว์โลกถูกจูงไป กามเนี่ยนะถูกจุมไปอะไรล่ะที่เปลี่ยนเป็นเจ้ากามพวกนี้ได้อะไรที่เปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนเป็นกามจากกามคุณเป็นกามในจิตของเราได้เงินเนี่แหละท่านผู้ฟังเงินเนี่ ย, า ม, านนยมันเปลี่ยนทุกอย่างเนะืเปลี่ยนคนก็ไดนะ้เนะืเปลี่ยนสิ่งของให้เป็นอย่างหนึ่งสมมติคุณมีเงินคุณไปซื้อข้าวซื้อปลาซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรที่จะทําให้คุณมีความเพลิดเพลินมีกามเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครคุมเงินได้นั่นคุมกามได้ ใครคุมกามได้ครองโลกได้พระเณรเขาจึงบอกว่าคนที่มีเงินมากๆนี่ครองโลกใครควบคุมกามได้ก็ชื่อว่าควบคุมโลกได้เนี่ยอันนี้ไม่ได้หมายถึงพระอาารันนะคือหมายถึงพระอาารันเนี่ยเป็นคนที่ชนะกามแล้วนะกราร ม, มาควบคุมหัวใจท่านไม่ได้ถี่ว่าท่านครองโลกละชนะทั่วหมดทุกโลกละนันะจะเรียกว่าบริสุทธิ์ลนะไม่เป็นตกอยู่ในอำนาจของใครแต่นี้กําลังพูดถึงบุคคลที่สามารถควบคุมคนอื่น น, น, นั่นก็คือมานั่นเอง นามานเนี่ยสามารถควบคุมวัตถุ ก, กามได้มันจึงไปควบคุมกามที่อยู่ในใจของสัตว์ได้พอควบคุมใจสัตว์ได้ก็ควบคุมโลกได้นะนี่มีสองนัยยะแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องกามตรงนี้อยู่นี่คือทุกชั้นเลยนะท่านฟังในะทุกชั้นที่ถ้าเผื่ว่ามีเงินเข้าไปข้องเกี่ยวแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยดูเหมือนจะถูกควบคุมได้นะําเพราะว่าเงินแต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวเงินไปควบคุมก่อนนะเงินทําให้เกิดกามในสัตว์ใจสัตว์ตัวนั้น ถ้าใจสัตว์นั้นมีการ อ, อยู่เขาจะถูกควบคุมดยเงินนั้นเพราะนั้ในใครมีเงินมากก็จะควบคุมสัตว์นั้นได้ใครมีเงินมากที่สุดในโลกก็จะควบคุมโลกได้ใครมีเงินมากที่สุดในกลุ่มนั้นก็จะควบคุมสัตว์กลุ่มนั้นได้คือกามเนี่ยมันมีหลายอย่างท่านผู้ฟังนะไม่ใช่เฉพาะเงินอย่างเดียวแต่ว่าเงินเนี่ยมันเปลี่ยนได้ทุกอย่างนะเป็นความต้องการได้ทุกอย่างนะความต้องการอย่างหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามนะอันนั้นเงินก็เปลี่ยนแปลงเป็นความต้องการตรงนี้ได้ เพราะฉะนั้นมันจึงครองหมดทีนี้ที่ผู้เช้าห้ามไว้ในเรื่องศีลข้อที่3ามเนะี่ยคือการไม่ให้ประพฤติผิดในกลามเนี่ยนะอย่างถ้าเราพูดถึงความเป็นผู้บริโภคกลามอย่างการวาเนี่ยเป็นผู้บริโภคกลางนะที่ไม่ให้เกินเลยไปเลยนะัคือการที่มีประพฤติผิดในผู้หญิงประพฤติผิดในเพศตรงข้ามนะัะนั้นไม่ควรเกินเลยนะแต่ถามว่ากินข้าวเป็นการเสพกลามไหมก็เสพเหมือนกันนะอย่างพระสงฆ์เนี่ย คือระดับของกามแต่ละคนเราต้องต้องเข้าใจอย่างสมมุติถ้าเปรียบเทียบระหว่าง2บุคคลในพระสงฆ์นะกับฆราวาสผู้บริโภคกามเห็นงถ้าพระสงฆ์เนี่ยกินข้าวเนี่ยไม่พิจารณาก่อนนะโอ้โนี่ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยชิมไปเป็นอาบัตทุกกฎนะเป็นอาบัตอันหนึ่งที่ที่ตอถือว่าเป็นความผิดแต่ถ้าฆราวาสเนี่ยมันก็ไปหาของอะไรมากินมากินมันก็ธรรมดาเพราะว่าเป็นธรรมชาติของผู้บริโภคกามนะถ้าเป็นฆราวาสก็ไม่ผิดกินข้าวเย็นกินอะไรอร่อยๆนะไม่ผิด แต่ถ้าประสงค์นะักกินต้องพิจารณาก่อนจะอร่อยหรือจะไม่อร่อยต้องพิ จ, จรารณาไม่พิ จ, จรารณาถือว่าคุณผิดนะมันไม่เหมือนกันตรงนี้เพราะนั้นถามว่าถ้าเราจะบริโภคกรรในฐานะของความเป็นค า, ารวาสเนี่ยก็ต้องมีขอบเขตเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงเงินบอกว่าเงินเนี่ยเป็นตัวครองโลกนะนี่คือในความเห็นข้าพเจ้านะไม่ใช่ความเห็นของพระพุทธเจ้าในะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะลงรวมลงอยู่ที่กา ร, รมซึ่งอยู่ในใจของเราแตนะถ้าสมัยไหนนะักเงินนะัเป็นตัวครองโลกนะักก็ชื่อว่า เงินเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดการกระช ว, วเงินกรองโลกสมัยบางสมัยอื่นอาจจะเป็นวัสดุสิ่งของอย่างอื่นในะที่เขาทำให้มีการควบคุมการให้เกิดขึ้นนะใครครอบครองสิ่งนั้นก็ถือว่าครองโลกเพราะในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันถูกเงินชักนําไปนะถูกเงินขับดันไปในทุกระดับเลยนะตั้งแต่ระดับชาติระดับระหว่างชาตนะิจนถึงระดับลูกเด็กเล็กแดงก็ถูกเงินควบคุมไปหมดเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงล่ะ เ, เราก็ต้องมีชีวิตอยู่่ะ อ ย, อย่างในความเป็นค า, ารวาสเนี่ยมันก็ต้องหาเงินใช่ไหมแล้วหาเงินยังไงถึงจะเรียกว่าปลอดภัยจากกามนะคือถ้าใครเนี่ยถูกกามควบคุมอยู่นี่นะถือว่าถูกมารควบคุมอยู่ในสมองมาเนี่ยมันมีอํานาจในะในการที่จะควบคุมสัตว์นะเพราะอะไรุเจ้ายกตัวอย่างนะพวกเหมือนกับคนที่วางเนื้อล่อตัวเมียไว้นะวางเนื้อล่อตัวผู้ไว้นะก ว, นกวางเนื้อกวางเนื้อสายตัวเมียก็ไปตาม เนื้อล่อตัวเมียกวางเนื้อสายตัวผู้ก็ไปตามเนื้อล่อตัวผู้ก็ถูกฆ่าตายหมดวางกำดักเอาไว้แต่เพราะนั้นการเนี่ยวางกำดักเอาไวนะ้ท่านผู้งโดยล่อเป็นเงินบ้างนั้นล่อเป็นตำแหน่งหน้าที่บ้างนั่นที่ทำให้เกิดเงินได้นั้นก็เลยเป็นปัญหาที่ทําให้มารเนี่ยควบคุมใจของสัตว์ด้วยการนั่นเองโดยใช้เครื่องมือคือกามนนในการควบคุมใจของสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเอ๊อย่างประสงค์นี่ไม่ต้องการเงินน้ำเป็นผู้ที่ไม่ยินดีทองและเงิน หรือไม่ยินดีทอนเงินที่เขาเก็บไว้ให้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถูกควบคุมโดยการโดยมารเนี่ยก็มีน้อยแต่ถ้าสําหรับครว่าผู้ที่ยังบริโภคเงินอยู่บริโภคการ์มอยู่จะบริโภคในลักษณะไหนที่ไม่ให้ถูกควบคุมได้โดยมาร น, นี่เราถึงจะมาพูดประเด็นนี้กันนะว่าเราจะบริโภคเงินใสิ่งของที่เราบริโภคใช้สอยเนี่ยในลักษณะไหนที่จะไม่ทําให้ถูกควบคุมได้โดยมาน คือเงินนี่แหละแล้วเราจะใช้เงินยังไงบังงั้นเถอะนั้นะถ้าเราใช้เงินไม่ถูกใช้เงินไม่เป็นไอ้เงินนี่แหละมันจะมาควบคุมใจของเรามันจะเป็นตัวบัญชาการเป็นตัวที่ควบคุมคอยบีบคั้นหัวใจของเราให้ไปซ้ายไปขวานะตามอํานาจของมนันที่ควบคุมเงินนี้อยู่เพราะเราจะควบคุมเงินยังไงไม่ให้เงินมาควบคุมใจเราต้องมีการแบ่งจำฟัง พระพุทธาบอกว่าใครก็ตามที่ใช้โพคศัพท์ที่ตนหามาได้ด้วยความเปลี่ยนเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนตัวชุม่มด้วยเหงื่อใช้จ่ายอย่างนี้คือหนึ่งนะเลี้ยงตัวเองก่อนนะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงบุตรภรรยาญ า, าติกรรมกรชายหญิงเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงคู่ค้านะเลี้ยงเพื่อนร่วม ง, งานต่างๆให้มีความอยู่เป็นสุขนะอิ่มหนําบริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนะนี้คือฐานที่หนึ่ง นะข้อที่2หลังจากที่เราแบ่งจ่ายทรัพย์ในระดับแรกแล้วนะด้วยการที่เลี้ยงตนเลี้ยงคนรอบตัวในลักษณะของทิศ ท, ทั้ง6เนี่ยให้เป็นสุขให้อิ่มน้ําแล้วนะข้อที่2ก็มาแบ่งไวนะ้เป็นการเพื่อใช้ในการปิดกั้นอันตรายนะทําตนให้สวบัติดนะีเช่นคุณอาจจะต้องจ่ายค่ายามเสียค่าปาระกันจ่ายระบบกันภัยอะไรต่างๆอันนี้คือข้อที่2อนงะข้อที่3คุณต้องแบ่งจ่ายทรัพย์ในส่วนที่3นะั่นคือการสละออก นสละออกนี่คือไม่หวังว่าเจะเอาคืนคือให้ไปเลยนสละเช่นว่าช่วยชาติเขามีกิจกรรมอะไรกันเอาช่วยสังคมเอาเราไปช่วยแบ่งปันได้เราญาติพี่น้องเราก็ต้องแบ่งปันไว้ช่วยด้วยเนืส่วนที่สําหรับแขกที่จะมาบ้านเราก็แบ่งปันไว้ช่วยด้วยนืคนที่ร่วงลับไปแล้วเราก็ต้องทําพิีกรรมอุทิศให้เราก็แบ่งปันไว้ด้วยเนืแล้วก็สุดท้ายก็คือแบ่งปันเทวดาเนื้อเทวดาตรงนี้หมายถึงอะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนื้อนี่คือส่วนที่3ามน้อส่วนที่4ี่เนี่ยก็คือ ในการที่จะเอาทรัพย์ส่วนที่สี่เน่ยทำทักษิณาทานอุทิศแก่ท่านผู้มีศีลนะผู้ที่มีขันติโสรจักนะคืออุทิศแก่พวกเนื้อนาบุญนั่นแหละนะเพื่อที่จะให้ได้บุญนะคือข้อที่3ต่างกับข้อที่สี่นตรงที่ว่าข้อที่3ที่4นี่คือสลัดทิ้งเลยนะคือไม่ได้เอาไว้เลยแต่ข้อที่3เนี่ยก็คือทั่วๆไปนะไม่ได้หวังว่าจะเอาคืนอยู่ละแต่ว่าบุญอาจจะเกิดน้อยนะส่วนข้อที่4นี้เนี่ยเพื่อหวังเอาบุญ เนะีเพื่อให้บุญเกิดมากก็สละทิ้งเหมือนกันทีนี้การใช้บริโภคทรัพย์4สถานเนี่ยภูริชาบอกว่าถ้าใครนะีใช้แบ่งจ่ายทํางบประมาณในลักษณะ4อย่างนี้ถือว่าถูกต้องนะคุณทําถูกแต่ถ้าผัวว่าหมดไปสิ้นไปโดยไม่มีการแบ่งจ่ายในหน้าที่4อย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะฉะนั้นเรามาลงรายละเอียดท่านฟังอย่างสมมุติที่บอกว่าคุณเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูมารดาบิดาไล่ไปก่อนนะ ตนเองมานดาบิดาบุตรภริยาทาตกรรมกรนะเพื่อนฝูงคู่ค้าเพื่อนร่วมงานต่างๆให้เป็นสุขให้ยิ่มนำนะบริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนะอันนี้หมายความว่าเราต้องรู้จักแบ่งใจ่ายให้ถูกนะถ้าเรามีเงินน้อยเราก็ต้องจ่ายน้อยแต่ว่าต้องแบ่ง4หน้าที่นี้นะถ้าเรามีเงินมากเราก็แบ่งจ่ายมากได้แต่ก็ต้อง4หน้าที่นี้นะเราก็สมมติคนมีเงินน้อยเนี่ย จะไปซื้อกรมธัร์ประกันชีวิตที่มันแพงๆหรือว่าซื้อรถที่มันแพงๆมันก็คงไม่ได้หนา่นก็ต้องน้อยตามที่เราทําได้แต่บางคนอาจจะไม่มีเงินที่ไปจ่ายเบี้ยประกันได้ด้วยซ้ำเราก็ต้องจ่ายค่ายามหรือใจ่ยในลักษณะที่เราจะต้องมีการคุ้มคร อ, องป้องกันตัวเองทํารัว้วทําอะไรก็ตามระบบตรงนี้อันหนึ่งที่ว่าจะอธิบายให้ฟังก็คือว่าข้อที่3ในการแบ่งจ่ายทรัพย์ส่วนที่3คือในการที่สละออกทําพลีกรรมนาสละทิ้งไปเลยหนให้ขายบ้าง บางทีญาติต้องมายืมตังคนะ์ยืมเงินเราเราก็ต้องสงเคราะห์เขานะพระเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่ควรทาทีนี้สงเคราะห์เท่าไหรนะ่เราต้องทํางื่อประมาณไงนะว่ า, เ, าเราได้เงินมาเท่านี้ได้เงินร้อยบาทนะในร้อยบาทนี้แบ่งใจ่ายส่ส่วนในส่วนที่3นี้เอาแบ่งส่วนนี้ไว้สําหรับช่วยญาติส่วนนี้ไว้สําหรับทําบุญนะคนที่พ่อแม่เราเสียไปแล้วเอาเราทำบุญใช้เงินตรงนี้ทําในะอีกส่วนหนึ่งไว้สําหรับ เขมีโครงการอะไรช่วยชาติอะไรต่างๆเราก็ไปช่วยนะทำบุญเลี้ยงเด็กกำพร้าบางทีจ่ายค่า ง, งานศพเราใช้งบประมาณตรงนี้นะเราก็อีกส่วนหนึ่งคือบูชาเทวดานะบูชาเทวดาจริงๆก็คือหมายถึงการทำเทวตาปลีนั่นะก็คือสละให้เทวดาเทวดาคือใครนะเทวดาที่ถ้าบอกว่าเรามองความหมายเผลอๆนะเราก็จะคิดว่าเป็นเทวดาที่แบบอยู่บนฟ้านะตั้งแต่ชั้นจตุมหาราชิกาขึ้นไป จนถึงบริณีมิตรสวัสดีอันนั้นก็เป็นเทวดานัยยนะหนึ่งในอีกเทวดาอีกนัยยะหนึ่งที่พระเจ้าพูดถึงก็คือคนที่มีศีลนะเป็นบุคคลธรรมดาเรานี่แหละเป็นคนที่มีศีลมีศรัทธามีจักข้ามีปัญญานะจิตของเขาแบบนั้นเนี่ยเป็นจิตที่เป็นเทวดาเพราะเราอาจจะช่วยสนับสนุนบุคคลแบบนี้ก็ได้นะเราเห็นอยู่ในบ้านเมืองนะคนที่ไม่ใช่ญาติเราคนที่เราไม่รู้จักคนที่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางราชการ นะแต่ว่าเขาเป็นคนดีนะเขายังช่วยเหลือสังคม l, เบิร์เขมีความลําบากเห็นข่าวช่องนั้นช่องนี้โหมาออกเาขาพยันขันแข็งแต่ว่าประสบปัญหาในชีวิตเป็นโรคแบงค์เป็นอะไรบ้างแม้เราอยากจะช่วยนี่คือคือคนนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของเทวดาในะการช่วยตรงนั้นเนี่ยเป็นการสงเคราะห์เทวดาที่เดินดินนี่แหละบนเดินบนมนุษย์นี่แหละในะบางทีเราเห็นเทวดาเดินดินใะนบางคนเน่ยจะทํางานในสายการแพทย์อย่างเงี้นะยนางพยาบาลบางคนหมอบางคนโอ้จิตใจแบบเทวดานะเราจะช่วยสงเคราะห์ ในลักษณะนี้ก็ได้นั่นก็ใช้ทรัพย์ส่วนที่แบ่งใจ่ายในข้อที่3ส่วนนี้นนในการที่จะสรงเคราะห์แล้วข้อที่4นั้นก็คือแบ่งจ่ายไว้สําหรับที่จะทําทักษิณาฐา น, น, นในการที่จะให้ได้บุญมากอันนี้เราก็ไปหาเนื้อนาบุญธรรมเนื้ อ, น, อนาบุญในที่นี้พุทธเจ้าก็พูดถึงคนที่ปราศจากราคะโทส oh ะโมหะนถ้าเรามีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังใ น, นการให้ทานของเราตรงนั้นจะมีผลมาก น, นจะมีผลในเบื้องบน มีผลที่เป็นไปในเลิศนะเป็นไปเพื่อเพื่อสวรรค์อันนี้คือฐานที่4เพราะฉนั้นเราแบ่งจ่ายทรัพย์4สถานเต็มฝั่ง4ส่วนนี้อาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็นได้แต่ต้องมีนะคุณจะมีเงินมากคุณจะมีเงินน้อยคุณต้องแบ่งจ่าย4อย่างนี้นะสอย่างนี้ไม่ต้องเท่ากันก็นได้นะมันแล้วแต่แล้วก็แต่ละอย่างแต่ละยาเนี่ยเราก็ทํางบประมาณไว้นะเพื่อให้ทราบว่าเราต้องใช้ใจ่ายเท่าไหร่นะถ้ามันเกินนะเราอย่าให้ใช้เกิน เราพยายามใช้ให้พอดีเราพยายามที่จะจัดการบริหารให้อยู่อย่างเป็นสุขโดยถูกต้องทีนี้ถ้าคนมีน้อยก็แบ่งแบ่งปันตามที่ที่สมควรนะแต่ว่าต้องมีหน้าที่สอย่างนี้แต่ถ้าคนมีมากแล้วตรนะหนี่นี่ปริญญาบอกไม่ควรแลนะเหมือนสบบนับบกกรณีเปรียบเทียบเอาไว้แนตะเหมือนสับบกกรณีที่เป็นแบบท่าน้ําแบบน้ําใสสะอาดมีท่าน้ําราบเรียบหน้ารื่อนรมยินดีแต่นะว่าไม่มีคนไปใช้ถูกรู้ว่า ล็อกอยู่โอ้โหเสียดายมากเลยน้ำดีๆไม่ได้ใช้น้ำเ ย, นเย็นไม่ได้ดื่มไม่มีคนไปใช้ประโยชน์น้ำต่อมามันก็เสื่อมทรามลงนะเนราะไม่มีใครไปดูแลไม่มีใครไปใช้ในทางตนกันข้ามนะถ้าสันโบครณีเนี่ยที่มีน้ำใสสะอาดนะมีถ้าน้ำข้ามขึ้นลงราบเรียบหน้ารื่นรมเนี่ยมีคนไปใช้มีคนไปดูแลทำความสะอาดด้วยนะใช้ด้วยนะมันก็ดีขึ้นมา ผู้ชอบเปรียบเหมือนกับคนที่มีทรัพย์มากนะได้ทรัพย์อันโอ ร, ราณมาแล้วเนี่ยโอ ร, ราณนี่คือแบบมากมายมหาศาลเนี่ยนะแล้วก็มีการแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างดีนะีตามหน้าที่สอย่างนี้ที่เราพูดเนี่ยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเปรียบเหมือนสบกกรณีเนี่ยนะมันมันดีมันได้ใช้ประโยชน์นะมีของดีแล้วได้ใช้ประโยชน์บางคนบ้านอยู่หลังบล๊อมเลยแต่ว่าอยู่คนเดียวโอ้ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะแต่ว่าถ้าเรามีบ้านหลังบล๊อมใหญ่นะเรามี งานมีกิจกรรมอะไรที่สามารถใช้จะสร้างประโยชน์สังคมนะใช้ประโยชน์ได้มีคนมาร่วมใช้ประโยชน์กันเอออันนี้ดีนะถือว่าสถานที่นั้นได้ใช้ประโยชน์ดีออพระเจ้าก็เปรีบเหมือนกับคนที่มีทรัพย์มากนะแล้วก็แบ่งจ่ายทรัพย์โดยหน้าที่4อย่างนี้นะทําตนให้เป็นสุขให้อิ่มนหนำะบุตรภรรยาออท่ากรรมกรมารดาบิดานะทำบุญทำทานด้วยนะอุทิศ ช, ช่วยชาติ ช่วยเทย ว, วดาสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกทำบุญด้วยการให้ทานในเนื้อนาบุญด้วยอันนี้ชื่อว่าเป็นสะบ h กรณีที่ว่ามีคนใช้งานเนะพราะเป็นอย่างนี้แล้วทรัพย์นั้นจะไม่หายไปนะแต่มีจะมีแต่งอกงามเพิ่มพูนขึ้นมานะเพราะมีการใช้จ่ายอย่างเป็นสุขอย่างถูกต้องเราก็จิตของคนที่ใช้จ่ายนั้นก็จะเรียกว่ า, เ, าเต็มขึ้นมานะไม่พร่องไม่สูญเปล่าเหมือนกัน ทีนี้ถ้าบอกว่าคนที่มีเงินไม่ได้มากมายอะไรนะการที่มีเงินมากหรือมีเงินน้อยเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นจำเปังแตนะมีเงินน้อยเราก็ต้องแบ่งจ่ายสี่อย่างนี้มีเงินมากเราก็ต้องแบ่งจ่ายสี่อย่างนี้ในะธรรมดาทีนี้ถ้าเรามีเงินน้อยนะเราทํำยังไงนะมีเงินมากต้องช่วยเหลือตัวอย่างอุปมาเหมือนกับสระ บ, บุรีที่น่ารื่นรมถึงอย่างนี้เป็นต้นต้องมีการใชนะ้มีการใช้งานอยู่เรื่อยก็จะดีทีนี้ถ้าคนที่ไม่ค่อยมี นาพระเา้าก็บอกว่าให้ยินดีด้วยความสันโดษ ต, ตรงนี้นาะพูดถึงเรื่องของอริยวงศ์อริยวงศ์เนี่ยคือทําเป็นเชื้อสายของพระอริยเจ้านาะยอย่างพระสงฆ์เนี่ยมีบิณุบาตก็ตามมีตามได้ยินดีแค่นี้นาะจีวรก็ตามมีตามได้ยินดีแค่นี้นาแล้วก็ที่อยู่อาศัยนาก็ตามมีตามได้ยินดะีแค่นี้นาแล้วก็เรื่องของเสานาส น, นะบินุบาตจีวรนาะสิ่งที่ควรบำเพ็ญก็ยินดีตามมีตามได้อันนี้ถือว่าถูก แล้วก็ไม่แสวงหาโดยไม่สมกวรคือแสวงหาอยู่แต่แสวงหาโดยที่สมกวรไม่แสวงหาโดยไม่สมกวรอันนี้ก็ใช้ได้สําหรับคาวาสด้วยแล้วตรงที่ว่าถ้าเรามีตามมีตามได้เราเราก็ก็มีอยู่ให้เรายินดีตรงนี้แล้วถ้าจะสแสวงหาก็สแสวงหาได้แต่ต้องสแสวงหาโดยสมกวรอย่าสแสวงหาโดยไม่สมควรถ้าไม่ได้ก็ไม่ทุรนทุรายตีอกร่ําให้ถ้าสแสวงหาแล้วได้ก็ไม่ยินดีเมาหมกผัวพัน นะตามเห็นส่วนที่เป็นโทษอยู่เสมอฟังอีกครั้งหนึง่งแล้วฟังนะให้เรายินดีในสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนนะคนที่ไม่มีคนที่จนนะให้เรายินดีในสิ่งที่เรามีก่อนแล้วถ้าคุณจะแสวสแงหาแสวงหาได้แต่อย่าแสวงหาในทางที่ผิดให้แสวงหาในทางที่ถูกแล้วถ้าแสวงหาแล้วไม่ได้ก็อย่าไปตุรนทุารายทุบกร่ําให้คร่ํากรวนถ้าแสวงหาแล้วได้ก็อย่าไปเมาหมกยินดีพัวพันให้ตามเห็นสิ่งที่เป็นโทษนั้นอยู่อันนี้ถูกต้อง แล้วก็อย่าไปยกตนข่มผู้อื่นนะเพราะความมีตรงนั้นอย่าไปยกตนข่มผู้อื่นเพราะว่าฉันสันโดษอย่าไปยกตนก่มผู้อื่นว่าฉันสายแสวงหาได้อย่าไปยกตนข่มคนอื่นอย่างนี้นะอันนี้ชื่อว่าอริยวงนะเราจะมีก็ตามเราจะไม่มีก็ตามนะเราทําจิตอย่างนี้นะชื่อว่าอยู่ในอริยวงละนะเพราะว่าคนที่มีจิตอยู่อย่างนี้เนี่ยท่านฟังพระชาบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ทิศเหนือใต้ออกตกยังไงก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่าสามารถ ย่ํายีความยินดีย่ํายีความไม่ยินดีได้นะ่ะเพราะว่าเป็นคนมีปัญญานี่ใช่ไหมได้มาแล้วนะ่ะก็ไม่เมาหมกพัวพันยินดีแสวงหาแล้วก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ทุรนมัวเมาร่ํำไ้คร่ําครวญน่นะถ้าได้มาก็ตามเห็นโทษอยู่ฉลาดใชนะ้คนฉลาดมีปัญญาอย่างนี้ชื่อว่าสามารถย่ายีได้ทั้งความยินดีและความไม่ยินดีอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอริยวงถ้าเราทําอย่างนี้เนะี่ยต้องฟังเราจะไม่ถูกเงินเนี่ย กำหัวใจของเราเราจะเป็นเจ้านายของเงินแเงินจะเป็นทาสของเราเป็นให้เราใช้แต่ถ้าเราไม่รู้จักแบ่งใจใช้ทรัพย์อย่างนี้นใช้ใจทรัพย์ที่ผิดเงินน่ยจะมาควบคุมหัวใจของเราเพราะอะไรมันเป็นส่วนของกามกาลมาบีด บ, บังคับใจเมื่อไหร่ท่านฟังอย่าหวังเลยว่าเราจะมีความสุขได้แตถ้ากาลมาบีด บ, บังคับใจของเราผ่านทางเงินผ่านทางชื่อเสียงผ่านทางอํานาจที่ใช้เงินเป็นตัวแรกมา ปากก็จะพ้นไฟเปิดดูทีวีก็เห็นเขาด่ากันนะใส่เสื้อนอกด้วยนะแล้วก็พอพ้นไฟอย่างนั้นมันก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ใช้จ่ายทรัพย์อย่างที่ถูกนะไม่ได้อยู่ในอริยวงว่างนั่นเถอนะถ้าเราอยู่ในอริยวงจิตใจของเราสบายนะไม่ถูกย่ายีด้วยเงินนั้นนะเราแบ่งใจทรัพย์อย่างถูกต้องอันนี้ชื่อว่าเราทําดีแล้วในะอีกประการหนึ่งที่บุชาได้แนะนำขนะรรภดีคนหนึ่งชื่อว่าพยัคฆปัชชะพยัคฆปัชชะเนี่ยไปถามบุชาว่า เอ่บุคคลผู้บริโภคกา ร, รเนี่ยนะที่ยังเป็นครื่อหัตมียินดีในบุตรภรรยายินดีในทองและเงินยังแต่งตัวสวยๆตัดผมโก้ๆอยู่อย่างเงี้ยจะทำไงถึงจะเรียกว่าอยู่เป็นสุขในปัจจุบันได้แต่ผู้เช่าก็แนะนําเพิ่มเติมนะคือนอกจากเรื่องการแบ่งใจทรัพแล้วใช่ไหมให้แบ่งใจทรัพสี่สถานนะให้คุณอยู่ในอริยวงนะจะแสวงหาก็ได้นะแสวงหาแล้วถ้าได้ก็อย่าไปกําหนัดเมาหมกพัวพัน ถ้าไม่ได้ก็อย่าไปทุรนทุไรคร่ำครวญในห้ผู้ผู้ตามเห็นโทษในะมีปัญญาย่ำหยีความไม่ยินดีและยินดีได้นะนอกจากนี้ถ้าเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยชีวิตอยู่ในปัจจุบันของเราจะมีความสุขได้เนี่ยพระเจ้าก็ยกทํา4ประการนะคือการถึงพร้อมด้วยความขยันนะเราต้องลุกขึ้นทํางานท่นผู้ฟังนะคนทํางานด้วยอาชีพค้าขายก็ตามเกษตรก็ตามเลี้ยงโคก็ตาม นาะยราชการทหารข้าราชการบลร่เรือนนั้นเะดเรือ่อยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามนะถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่เกียจคร้านนะอสอด่องในอุบายจะทํำยังไงพัฒนาให้ดียังไงจะทําเองก็ได้หรือเป็นผู้จัดการให้คุณเดินทำก็ได้นะถ้าอย่างเงี้ยชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความขยันพระยาใช้ควาว่าอุตทานสะัมปทานนอกจากนี้ถ้าเราจะทําตัวให้เราเป็นสุขอยู่ในปัจจุบันไม่ตกเป็นทาตนะุของสิ่งที่มาครอบงำไม่ตกเป็นทาตของกามนะเราต้องมี เ, เรียกว่ารู้จัก อารักขาสัมปทานั่นะคือความถึงพร้อมด้วยการรักษานาะรักทรัพย์ที่เราได้มาก็รู้จักรักษาให้ดีนันะนี้ก็จะเป็นลักษณะการแบ่งใจทรัพย์ข้อที่2เหมือนกันในะส่วนข้อที่3คือกลัลยาณมิตรต่างนั่นะคือการที่มีมิตร ด, ดีนะคนไหนที่เป็นคนมีศีลมีศรัทธามีจาระฆะมีปัญญาเราไปคบกับเขานะไปหาเขาจะเป็นคนแก่ก็ได้คนหนุ่มก็ได้คนอ่อนกว่าเราก็ได้นะที่แกกว่าเราก็ได้นะที่มี4ี่คนสมบัติอย่างนี้นะชื่อว่าคุณมีเพื่อนดีละแล้วข้อท นะที่จะทำให้เรามีประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยคือการที่เรารู้จักดำรง เ, เลี้ยงชีพอ ย, ย่างสม่ำเสมอต้องรู้จักกระแสเงินเข้ารู้จักกระแสเงินออกนะให้กระแสเงินเข้ามากกว่ากระแสเงินออกนะอย่าให้กระแสเงินออกมากกว่ากระแสเงินเข้านะให้เรารู้ว่าเราต้องใชจจ่ายซับเท่าไหร่นะอย่าไปฟุดเครือยมากเกินไปนะอย่าใช้สุริุุ่รายมากเกินไปใช้ซุริยุุ่รายมันก็ไม่ดีนะมันคนกินผลมะเดือ่อนะถ้าเราเห็นตัวกระรอกเนี่ยมัน กัดผลมะเดื่อมากินมันกัดกึกกึ๊กกึ๊กสอสาคูดมันทิ้งเลยฟุ่มเฟือยมากสุริสุร่รยมากนะแล้วเราก็ในทางตรงข้ามถ้าเรามีามากแต่เราไปใช้น้อยโอ้โหมันก็กระบิดกระเสียดอย่างกับคนไตอดไตยอยากแตต้องรู้จักสม่ำเสมอนะมีมากก็ใช้มากได้มีน้อยก็ใช้น้อยได้อย่างนี้ก็เรียกว่าผู้รู้จักความเลี้ยงชีพอย่างสม่ําเสมอหรือสมชีปิตานะแล้วก็ถ้าเราหวังผลในอนาคต นะก็ชื่อว่าคุณก็สามารถที่จะทำศรัทธาศีลจาระคับปัญญาให้เกิดขึ้นได้นั้นะในเวลาต่ อ, ต, อต่อไปเราจะมีความสุขได้นะเราก็ใครที่ทำอย่างนี้ได้นะคือหาทรัพย์แล้วโดยไม่เครียดใครเกินไปนะเรากา็ทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มนำรู้จักแบ่งใจทรัพย์สีนาที่นี้นะเราก็ไม่กำหนัดมัวเมาลุ่มหลงพัวพันนะรู้จักแบ่งปันทรัพย์บาเพ็ญบุญ น, น, นะอย่างนี้ดีหมดเลยนะคือ1 สแสวงหาทรัพย์โดยไม่เครียกรเกินไปนะสรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ใน4อย่างนีนะ้ให้เป็นสุขให้อิ่มนำโดยที่ทั้ง6กนะแล้วก็รู้จักแบนแบ่งปันทรัพย์บำป็นบุญแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงตามเห็นโทษของทรัพย์นั้นอยู่เหนื่งเนืงนะคนที่สามารถทำได้4อย่างนี้นะก็จะเป็นผู้ที่ เ, ออเลิศมากหรือว่าเป็นคารวะชันเลิศเป็นผู้บริโภคก ร, รมชันเลิศ กนะ็คือกามยังไงมันก็ไม่เลิศนะทำฟังมันไม่ดีนะแต่ถ้าในในพวกผูก้บริโภคการด้วยกันเนี่ยนะถ้ารู้จักทำสีอย่างนี้ได้นะคือแสวงฮารทรัพย์โดยไม่คลี่คลั่เกินไปนะรู้จักที่จะใช้ใจ่ายทรัพย์โดยสีหน้าที่นะแบ่งปันทรัพย์มันเป็นบุญด้วยแล้วก็ที่สีก็ไม่ลุ่มหลงโมเมาถือว่าชั้นเลิศละนะเลิศขนาดไหนนะเขาก็เปรียบสเสมือนว่ า, าวัวเนี่ยเอาวัวมาตัวหนึ่งนะวัวนี่ถ้าเราฆ่ามันกิน นะมันก็ตายแล้วถือเป็นการเบียดเบียนมันองค์เราเอ า, เอานมมันมากินแล้วการเบียดเบียนมันน้อยหน่อยแต่เพราะนั้นรสชาติของนมเนี่ยที่เกิดจากวัวนี่ก็ชื่อว่าดีกว่าเนื้อวัวเพราะมันไม่ต้องตายใช่ไหมทีนี้เราถ้าเอานมมันมาใสา่ยีสต์เข้าไปนะใส่สารหมักเข้าไปนะพอหมักไว้สักวันสองวันน ม, มนี่ก็เป็นนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวก็มีคุณสมบัติความเป็นยามีจุลินทรีย์ช่วยย่อยอะไร ต, ต่างๆเขาก็ถือว่ามันดีกว่านมธรรมดาเนะพราะมันเลิศรู้ขึ้นมามีรสชาติมากขึ้นนะแล้วเอา นมที่หมักเป็นเยื่อเนี้ยเอามาปั่นปั่นปั่นปั่นปันปันให้เป็นเนยนะเนยนี่ยาเป็นคนุณสมบัติเป็นยาด้วยแล้วก็เก็บได้นานกว่าด้วยนะนานกว่าเจ้านมเปรี้ยวนมส้มพวกนั้นถือว่าดีกว่านมส้มอีกแต่ถ้าเอาเนยนี้นำนะมาต้มให้มัังต้มต้มตมตมตมนะให้เป็นเนยใสเอออันนี้มันดีขึ้นมานะส่วนที่ขุนแยกเอาไว้ส่วนเอาเฉพาะส่วนที่ใสๆอยู่ข้างบนออกมานะต้มให้มันเป็นใสแล้วเอาส่วนที่ใสออกมานี่อันนี้ยิ่งเก็บได้เป็นปีๆแล้วก็ มีกุศลเป็นยาใช้เป็นน้ํามันทายอย่างอื่นได้ด้วยแต่นะถ้าเอาเนยใสตรงนี้ไปแยกอีกนะไปต้มอีกแากมาเฉพาะหัวเนยใสหัวเนยใสเนี่ยจัดว่าเลิศที่สุดในบรรดารสชาติที่เกิดจากโคในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโคเนี่ยหัวเนยใสนี่จัดว่าเลิศที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่สามารถทํา4อย่างนี้ได้นั่นก็เรียกว่าเป็นผู้บริโภคกามชั้นเลิศพระเจาเปรียบเทียบอย่างนี้แต่นะเราพูดถึง4อย่างอยู่3ามนัยยะท่านฟังในวันนี้นะัอันแรกนะัไล่จากสุดท้ายไปนะเราพูดถึงคนบริโภคกม ด้วยการที่ไม่คลียครัดรู้จักหาทรัพย์แต่ไม่เครียครัดสองทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำนะสก็แบ่งปันทธะบันเป็นบุญนะสี่ไม่กำหนัดรุ่มหลงมัวเมาพัวพันนี่คือสี่นัยแรกนะสี่นัยที่2เราพูดถึงการที่จะทําชีวิตให้เราเป็นสุขในปัจจุบันนี้นะหนึคุณต้องมีการถึงพร้อมด้วยความขยันนะสคุณต้องมีการถึงพร้อมด้วยการรักษา3คุณต้องมีมิตรดีนะสี่ต้องคุณต้องมีการเลี้ยงชีพยอย่างสมอเสมอเราพูดถึงอีก4อย่างหนึ่งนั้ะ น, นั่นคือการที่ รู้จักแบ่งปันทรัพยนะ์แบ่งจ่ายทรัพย์4ี่อย่างนะทําบัตรเจตนั่นเองนะทํางบประมาณนั่นเองนะคือ1นะ่งแบ่งจ่ายทรัพย์ในการที่จะเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงบรรดาบิดาเลี้ยงคนรอบตัวสองรู้จักที่จะแบ่งจ่ายทรัพย์ในการที่จะรักษาทรัพย์ส่วนใหญ่ๆของเราเอาไว้นะแบ่งปันทรัพย์ในการป้องกันภัยสามในการที่จะทําเป็นพลีกรรมต่างๆและ 4. ในการที่จะทําทักษิณาทานอุทิศให้แก่สมณพราหมณ์เนื้อนาบุญ เราบริโภคอย่างนี้แล้วเราชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่รุ่มหลงในกรรมเราควบคุมเงินได้เงินไม่ควบคุมหัวใจของเราเราจะเป็นผู้ที่พ้นจากมันได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้บริโภคกรมชั้นเลิศนั่นเองวันนี้ครับเจ้าพระพายบุญพี่ปุณโนจากวัดป่าดอนไฮโซ ก, ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร